บัตนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้กล่าวมาถึงวิจิกิจชานิวรที่พระภูมีพระภาคเจ้าทรงสอนให้กำหนดรู้ไปตามลำดับแต่ได้อธิบายมา สองลำดับด้วยกันคือประเภทของวิจิคิชาอันได้แก่ความลังเลสงสัยที่ท่านจำแนกออกเป็นความสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในประธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในใจศีรขาสงสัยในเรื่องอดีตสงสัยในเรื่องอนาคตสงสัยทั้งเรื่องอดีตและอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตัวการคือความสงสัยนี้กลายเป็นปราการนั้นสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้คนเข้าไปสู่ความสงบความสะอาดแห่งจิตใจได้เพราะว่าสาปใดที่จิตใจของบุคคลไม่ตั้งมั่นอยู่ด้วยอำนาจของศรัทธาในคุณของพระตนณฑ์เป็นต้นแล้วโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไป ก็มีไม่ได้แม้ในขั้นของการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นหากว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาในขณะนั้นก็ชื่อว่าถูกนิวรณ์ครุ่มรุ ม, รมใจโอกาสที่จะให้เกิดความสงบก็มีไม่ได้เช่นเดียวกันเรื่องความสงสัยจึงถือว่า เป็นปัญหาใหญ่ที่ท่านกล่าวว่าเป็นทางสองแพร่งเป็นทางที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่อย่างที่ได้ว่ามาแล้วในข้อต่อไปนั้นทรงสอนว่าเมื่อวิจิกิจชาแต่และข้อบังเกิดขึ้นภายในจิตใจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็ให้กําหนดรู้ว่าขณะนี้จิตใจของเราประกอบด้วยวิจิกิจชา วิจิกิริฉานั้นเป็นพวกประหาตประ ร, รมคือธรรมะที่ต้องละออกไปเมื่อบุคคลกำหนดระลึกรู้จิตของตนในขณะนั้นๆว่ามีวิจิกิจชฉาปรากฏอยู่ก็ต้องพยายามเปรื้องจิตของตนออกจากการขอหุ้มการครอบงำของวิจิกิริฉานิวร์แล้ว้อต่อไปทรงสอนว่า วิจิกิชานิวรณที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็ให้รู้วิธีเกิดของวิจิกิชาแต่ละข้อเหล่านั้นวิจิกิชานั้นทรงแสดงว่าเกิดขึ้นมาจากอโยนิโสมนัสิกัคือการไม่ทำไว้ในใจโดยอุบายวิธีอันแยบคายคือไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาสอดส่อง มาวิเคราะห์มาพินิษ์พิจารณาให้ท่องแท้ซสก่อนแล้วในที่สุดเมื่อรู้ไม่จริงความลังเลสงสัยก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาคล้ายๆกับการมองเห็นภาพบุคคลสิ่งของในขณะที่นั่งรถไปรถก็วิ่งไปเร็วๆมองภาพเหล่านั้นไม่ชัดจึงเกิดความสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่อยู่ตลอดไป แต่ถ้าหากว่าหยุดดูให้ประจักษ์ชัดลงไปก็จะถึงการวินิจฉัยได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ฉันได้เรื่องของคุณพระรัตนตรัยเป็นต้นที่บุคคลเกิดความสงสัยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีโยนิโสมนสิการคือไม่ได้กระทำไว้ในใจด้วยอุบาลแยบคายแล้ว ความสงสัยก็จะกัดกร่อนจิตใจของบุคคลอยู่ลักษณะของจิตใจที่ประกอบด้วยความสงสัยจึงมีลักษณะแกวนไปตามอำนาจของสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูเป็นต้นบางครั้งบางคราวที่ได้เหตุปัจจัยดีๆศรัทธาเป็นต้นก็จะตั้งตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจได้แต่ถ้าหากว่า ไปเกิดได้ปัจจัยซึ่งมีส่วนในการทำลายความรู้สึกศรัทธาที่เคยมีอยู่ก็อาจจะทำให้แกว่งไปโดยนัยเดือบความสงสัยก็เกิดขึ้น ร, รุ่มรุ่มใจอีกต่อไปเรื่องอโยนิโสมนสิการคือการไม่ทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายโดยเหตุโดยผลที่เหมาะที่ควรนั่นถือว่าเป็นเรื่อง ที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยในกรณีต่างๆดังนั้นก็ทรงสอนให้กำหนดรู้เอาไว้ว่าวิจิกิชานันเกิดขึ้นมาเพราะขาดโยนิโสมนสิกาคือไม่มีการทําไว้ในใจด้วยอุบายแยบขายและข้อต่อไปก็ให้รู้ว่าวิจิกิชานิวรที่บังเกิดขึ้นแล้ว จะสามารถละสามารถบรรเทาสามารถระ ง, งับได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นสิ่งที่จะสามารถละบรรเทาและระ ง, งับพิจิกิชานิวรนให้ออกไปจากจิตใจได้นั้นก็คือหลักของโยนิโสมนัสิการ อันได้แก่การทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบขายถึงวัตถุนั้นนั้นถึงอารมณ์นั้นๆถึงสิ่งนั้นๆที่ตนยังไม่มั่นใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะต้องเป็นความคิดที่มีเหตุผลมีหลักฐานมีที่ไปที่มาเป็นระเบียบของความคิดที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ไม่ใช่เป็นความคิดแบบฟุ้งซ่าน เพราะถ้าเป็นความคิดแบบฟุ่งสัน้นนอกจากจะแก้วิจิกิจฉาไม่ได้แล้วยังจะเพิ่มอุทจจกกุกกุ จ, จัะขึ้นภายในจิตใ จ, จอีกด้วยเรื่องของพระพุทธเจ้านั้นตามที่เคยสดับสักฟังมาสาหรับบุคคลที่สงสัยส่วนมากจะไม่สงสัยในเรื่องของคุณธรรมความดี แต่เกิดสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับพินิหารบ้างเกี่ยวกับปาฏิหารบ้างซึ่งเป็นพุทธวิสัยถ้าหากว่าบุคคลใช้หลักของโยนิโสมนสิกาในเรื่องของพระพุทธเจ้าก็ต้องทำใจไว้เป็นเบื้องต้นว่าสิ่งในโลกนี้บุคคลไม่อาจจะรู้ได้ด้วยการนึกคิดคือไม่ควรคิดเอาไม่ควรคาดคะเนเอานั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้4ประการประการแรกคือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏในเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกบ้างในอัตฉริยบ้างกามวิปากวิสัยวิสัยของวิบากกรรมซึ่งปรากฏเกิดขึ้นในโลกทำหน้าที่แบ่งแยกจัแน่คนและสัตว์ทั้งหลาย ให้แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นความวิจิตพิสดารที่กําหนดไม่ได้บางคราวก็มีความขัดแย้งปรากฏขึ้นในบุคคลคนเดียวกันอิทธิวิสัยวิสัยของท่านผู้ประสบความสำเร็จในทางใจและวิสัยของท่านผู้ที่ประสบความสำเร็จในการฝึกปลือมาด้านร่างกายกับโลกจินตาคือปัญหาเรื่องโลก โลกใครสร้างสร้างมือไรสร้างโดยใครเป็นต้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรนำมาคิดนั้นประการ น, นี้อีกประการเดิงจะต้องตั้งฐานความรู้สึกเอาไว้ว่าการเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของความเพียรพยายามอย่างมีขั้นตอนมีกฎเกณฑ์แล้วในที่สุดก็สามารถบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้ แต่การเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้ จ, จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่พระรูปกายแต่อยู่ที่นามกายพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นธรรมกายอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาให้ฟังในวันก่อนว่าข้อนี้พระผุมีพระภาคเจ้าได้รับสั่งแก่พระภิกษุชื่อววคะลิที่บวชมาเพราะต้องการจะดูพระรูปประโมของพระพุทธเจ้าติดตามดูไปทุกผลทุกแห่งด้วยพระพุทธดารัสว่า ว่ากะลิพิกุจงถอยออกไปจะมาดูยัยร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเราจะถาคตคือธรรมกายและได้แสดงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมแม้แต่ก่อนจะดับขันทัปรินิพานก็ได้รับสั่งแก่พระนลว่าดูก่อนอานลธรรมวินยัยญาณใด ที่เราบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายธารมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงรับไปแล้วอันเป็นการแสดงว่าองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคือธรรมะหรือธรรมกายเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นธรรมกายปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวกับ ร, รูปกายเกี่ยวกับพระประวัติเป็นต้นก็ไม่ควรนามาคิดให้เสียเวลา แต่ควรจะใช้โยนิสโสมนสิการในส่วนที่เป็นประคุณของพระองค์ซึ่งประคุณของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่สคุณด้วยกันได้แก่ปัญญาคุณคือการที่พระภุมีพระภาคเจ้าทรงมีพระปัญญารอบรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการเป็นต้นตามความเป็นจริงและนำมาเปิดเผยชีย้แจงแสดงแก่โลกไป ความจริงที่ทรงแสดงไว้ในอริยสัจนั้นพิสูจน์อย่างไงก็คงเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นอันแสดงถึงพระปัญญาเครื่องศัสรูของพระองค์ว่ามีอยู่อย่างแท้จริงประการที่สองพระมหากรุณาธิคุณนั้นดูได้จากการทํางานของพระองค์ตลอดระยะเวลา45สา่สิบาพันปีโดยการเสด็จเที่ยวไปในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆแน่นอนแนะนําสั่งสอนประชาชน ไห้ได้รู้ได้เข้าใจได้หลักการดําเนินชีวิตประดิษฐสถานให้คนเหล่านั้นสัมผัสประโยชน์ทั้ง3ประการคือประโยชน์ปัจจุบันบ้างประโยชน์ภายหน้าบ้างและประโยชน์อย่างสูงสุดคือมรรคผลนิพพานบ้างส่วนที่เป็นพระบริสุทธิ์ที่ขุนนั้นจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้อ้างอิงอํานาจภายนอกแต่ประการใด แต่ทรงแสดงถึงความมีอยู่ความเป็นอยู่ตามธรรมดาตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายแม้แต่ธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นทรงแสดงว่าธรรมะเป็นของมีอยู่เป็นอยู่เ ป, ยเป็นธรรมะทิฏฐิคือตั้งอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมนิยามมีการกาหนดหมายกันอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้คนพบนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกเท่านั้น พระองค์เป็นทําได้ด้วยการบอกทางให้แต่ไม่ใช่สามารถจะดนบันดาลให้ใครบรรลุคุณวิเศษหรือเป็นคนดีได้ตามที่ตนต้องการถ้าหากว่าบุคคลนั้นไม่ลงมือกระทําด้วยตนเองตลอดถึงการแนะนําสั่งสอนเช่นว่าเมื่อพยาเมื่อทรงอาพาธก็ให้พิไม่ไม่ให้ภิกษุพยาบาลแต่ให้ภิกษุพยาบาลภิกษุ่ายแทนพระองค์ ไม่ทรงสรรเสริญอามิตรบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของแต่กลับสรรเสริญการปฏบิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามเป็นต้นล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนที่เป็นธรรมะนั้นบุคคลอาจจะใช้สติปัญญาพิจารณาธรรมะที่พระพุเทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ ปราธรรมะนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการจัดสรุปจริงไหมสามารถช่วยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รับความสุขความเจริญในระดับนั้นๆได้จริงไหมข้อนี้ก็ให้ดูที่ลักษณะของคำลักษณะของประธรรมนั้นท่านจาแนกเอาไว้เป็น4ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือสวากขาตธรรม เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วจัดระบบไว้ถูกต้องสมบูรณ์ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามธรรมะบางอย่างเพียงข้อเดียวแต่ได้ครอบคลุมความจริงแห่งสปปรรพสิ่งเอาไว้เช่นทรงแสดงไว้ว่าสัตว์โลกจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาหารเพียงข้อเดียวเท่านั้นแต่เป็นความจริงที่พิสูจนตัวเองมาทุกยุคทุกสมัย ในเรื่องของอาหารนั้นก็ทรงจำแนกอาหารไว้ถึงสประเภทด้วยกันเมื่อบุคคลมาพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าไม่เกินไปจากที่ทรงแสดงเอาไว้ถึงแม้ว่าความซับซ้อนทางสังคมสูงส ข, ขึ้นปัจจัยต่างๆมีมากขึ้นก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงของอาหารทั้ง4ประการอยู่นั่นเองหรือข้อที่ทรงแสดงธรรมเพียงสองข้อว่า เป็นโลกกับปาลธรรมหรือธรรมะที่คุ้มครองโลกไว้ได้รักษาโลกให้อยู่กันอย่างปกติสุขพอสมควรได้คือฮิริและโอตตะปะลองมองอีกภาพหนึ่งถ้าหากว่าคนในโลกนั้นขาดซึ่งฮิริและโอตตะปะด้วยประการทั้งปวงแล้วคนในโลกก็จะไม่ต่างอะไรจากสัตว์ในชาต การกระทําการแสดงออกในลักษณะที่ไม่คํานึงถึงศีลธรรมก็เกิดขึ้นแต่การที่โลกสามารถดํารงอยู่ได้เป็นปกติสุขพอสมควรนั้นยังไงยังไงคนก็ยังมีหิริมีโอตตะปะมีความสํานึกที่เหมาะที่ควรอยู่ภายในจิตใจคุ้มครองจิตใจเอาไว้ถึงแม้จะเกิดความคิดอยากจะกระทำํำแต่ก็ไม่ถึงกับแสดงออกมานั้นเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะหิริเป็นตัวป้องกันเป็นตัวสกัดกั้นเอาไว้อาศัยความสํานึกถึงสกุลบองอาศัยความสํานึกถึงการศึกษาอายุจิตใจที่มั่นคงความสํานึกถึงความผิดชอบชั่วดีเสียงกระหานินทาจากบุคคลอื่นการติดคุกติดตารางการต้องบกไหม้ในในรกเป็นต้น แต่ละอย่างนั้นเป็นอุปการาธรรมอันสำคัญที่จะค้ามจุนให้ฮิริโอตปะดำรงอยู่ภายในจิตใจของบุคคลมากกว่าสมควรจนการอยู่ร่วมกันไม่ถึงกับเดือดร้อนมากนักและธรรมะข้ออื่นๆบุคคลก็อาจนำมาตรวจสอบได้เช่นเดียวกันว่าเป็นธรรมะที่ทรงจัดไว้ดีแล้วจริงๆทรงแสดงไว้ดีแล้วจริงๆง ไม่มีอะไรขาดแล้วไม่มีอะไรเกิดไปในหมวดธรรมะนั้นๆก็สำคัญเวลานำไปประพฤติปฏิบัติคือใช้ให้เป็นก็แล้วกันเพราะการศึกษาการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นประการสำคัญอยู่ที่ธรรมานุธรรมะปฏิปันโนคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าหากว่าไม่มีการปฏิบัติที่เหมาะที่ควรแก่ธรรมแล้ว โอกาสที่จะรู้จะเข้าใจธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วข้อต่อไปทรงแสดงว่าเป็นสันเลขธรรมคือธรรมะที่ทำหน้าที่ขัดเกลาวจิตใจของบุคคลข้อนี้จะเห็นได้ว่ากุศลธรรมทั้งหลายที่บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติไปนั้นจะทำหน้าที่ขัดเกลาวจิตใจของบุคคลให้มีความประณีตให้มีความสะอาดให้มีความสว่างขึ้นโดยลาดับและพิสูจน์ตัวเองได้ทุกการทุกสมัย ในส่วนหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นนิยานิการธรรมคือเป็นตัวนำออกเช่นว่าบุคคลเห็นโทษของอบายมุข ก, ก็นำบุคคลนั้นออกจากอบายมุขเป็นต้นและเมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วก็จะเกิดความสงบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติในชั้นนั้นๆการใช้โยนิโสมนัสิกานโดยวิธีนี้ ย่อมสามารถช่วยให้บุคคลผู้ศึกษาธรรมะสามารถที่จะเห็นนัยยะของธรรมะสามารถเห็นคุณของธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ความลังเลสงสัยในองค์ธรรมที่ทรงแสดงไว้ก็จะถูกขจัดออกไป เรื่องของธรรมะนั้นเป็นจุดเด่นอยู่ที่การนำมาใคร้ครวญ น, นำมาพินิจพิจารณาคิดมากๆากตรึกนึกมากๆหาตัวอย่างประกอบมากๆแล้วจะเห็นนัยยะของธรรมะที่กว้างไกลออกไปในข้อต่อไปความสงสัยในพระสงฆ์นั้นเป็นปัญหาประการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จของบุคคลอยู่เสมอ ตามปกติแล้วก็เกิดขึ้นมาจากความสับสนในด้านความคิดคือบุคคลไม่ยอมรับสภาพความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามปกติธรรมดาในสังคมขั้งสมปัญหาเรื่องความประพฤติปฏิบัติของพระสงค์ที่มียิ่งมีหยอดกันอยู่นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีมาตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าแล้ว การที่พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติศิกขาบทขึ้นนั้นก็เพราะมีพระกระทำผิดวิเสียงกระหานินทาตําหนิติเตียนแล้วก็ทรงบัญญัติศิกขาบทเพื่อขจัดเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นในขณะนั้นกับป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียซ้ําซ้อนขึ้นมาอกีกเพราะฉะนั้นบุคคลจะต้องยอมรับความจริงว่าผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นทุกคนเริ่มจากไม่มีอะไร ต้องการที่จะมาขัดเกลาต้องการที่จะนาตนให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายต้องการที่จะให้ตนได้รับความสงบความสันติสุขแต่ว่าผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในสัดส่วนที่ทัดเทียมกันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผลทั้งหลายจะเกิดขึ้นจากเหตุและเหตุนั้นมีทั้งเหตุที่แฝงอยู่ข้างหลัง และเหตุที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเหตุที่แฝงอยู่ข้างหลังนั้นคือบารมีธรรมได้แก่พวกอินทรีย์พวกนิสัยพวกอัธยาสัยตลอดถึงพื้นเพทางสติปัญญาของบุคคลเป็นต้นปัจจัยในปัจจุบันก็คือการลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจงอย่างของบุคคลนั้นๆดังนั้นความหมายของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาท่านจึงจำแนกออกมาเป็นสอประเภทคือประเภทที่เป็นสมมติสงุงหมายความว่าทุกองนั้นจะต้องเริ่มด้วยการสมมติเป็นสุงขึ้นไปในช่วงนี้จะต้องพยายามสํารวมระวังจะต้องพยายามละจะต้องพยายามขัดเกลากันไปตามกาลังสติปัญญาของตนและช่วงนี้เองที่จะเป็นตัว สร้างความรู้สึกเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ประสบพู้เห็นเพราะเป็นบุคคลที่เริ่มฝึกปลือมาจะให้ดีด้วยประการทั้งปวงนั้นไม่ได้โบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกชาวบ้านคืออย่าไปติดที่ลูกชาวบ้านแต่ให้สำนึกถึงคุณของพระสงฆ์ตามที่สวดกัน ว่าสุปฏิปัโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปัโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปโนเป็นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพานสามีจิตปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรซึ่งการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อนิพานปฏิบัติสมควรในความหมายที่เต็มรูปนั้น ท่านก็ไขความเอาไว้ข้างล่างเลยว่ายะดีดังนี้คือใครแล้วท่านก็ชี้แจงว่าจัตตาริปุริสุกานี้คู่แห่งบุรุษสีอัถะปุริสปุกลาบุรุษปุคคลแปเอสาภกรวโตสาวกสังโฆนี้คือประสงษาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นโดยความหมายที่เต็มรูปแล้ว สมมติสงฆ์จะปฏิบัติดีอย่างสมบูรณ์จงโดยสมบูรณ์เข้าถึงนิพพานโดยสมบูรณ์และสมควรโดยสมบูรณ์นั้นไม่ได้จะต้องมีการบกพร่องอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าบุคคลยอมรับกันในช่วงนี้และยอมรับถึงความสมบูรณ์ในช่วงของความเป็นป ร, ริยัติแล้วก็สามารถปรับจิตใจได้แม้จะเห็นพฤติกรรมบางอย่างของพระสงฆ์ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร ความสงสัยในขั้นของการประพฤติปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถทํำตนให้หลุดพ้นจากกำนาจของกิเลสมีได้หรือไม่ก็จะถูกจัดออกไปในข้อของสิกขาได้แก่หลักการประพฤติปฏิบัติคือความสงสัยในสิกขานั่นอันที่จริงเป็นความสงสัยในพระธรรมนั่นเองแต่ว่าพระธรรมมีทั้งกุศลอกุศลและอัพญากร ส่วนศีขาเป็นเรื่องของปุสสนโดยตรงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เป็น3ามช่วงด้วยกันการที่ทรงแสดงไว้เป็น3ามช่วงนั้นก็เพราะว่ากิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นมี3ามชั้นคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดกิเลสที่เป็นชั้นหยาบนั้นเมื่อบุคคลกระทำและพูดออกไป จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นกิเลสชั้นกลางคือชั้นที่เป็นประยุทธานะเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทำจิตใจของบุคคลนั้นให้ร่าเร้อนบุคคลอื่นไม่เดือดร้อนกิเลสชั้นละเอียดนั้นแม้ตนเองตามปกติก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีอะไรมากระแทกแรงแร คือสิ่งมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแรงๆกิเลส ต, ตัวนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นรุ่มรุมใจทำจิตใจให้เล่าร้อนได้ถ้าหากว่ากระแทกแรงมากนอกจากจะเกิดขึ้นรุ่มรุมใจและอาจจะออกมาข้างนอกได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสดแสดงใจสิกขาเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องขัดเกลาตามลักษณะของธรรมะ ถ้าถามว่าขัดเกลาอะอรขัดเกลากิเลสในส่วนที่อยากในส่วนที่อย่างกลางในส่วนที่ละเอียดให้ออกไปจากจิตใจในขั้นของสีนั้นก็ทรงบัญญิเพื่อขจัดกิเลสที่ออกมาทางกายกับทางวิจารบุคคลลองตั้งโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจโดยอุบายแยบขายว่าถ้าหากว่าคนในโลกนี้งดเว้น จากการละเมิดศีลทั้ง5ประการคือหมายความว่าแต่ละคนมีศีลหประการแล้วโลกก็จะเป็นยังไงบ้างการเบียดเบียนกันด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าถ้าศีลสิกขาได้รับการประพฤติปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วจะทำหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของบุคคล นำคนออกจากเวรจากภายัยจากการเบียดเบียนกันให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในขั้นของสมาธิซึ่งกำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันให้ลองสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นถ้าตกเป็นฝ่ายอากุศลแล้วก็จะต้องอยู่ในกลุ่มของกามฉัน กลุ่มของพยาบาทกลุ่มของถีนมิทะกลุ่มของอุทจกักุกขิจและกลุ่มของวิจิกิจชาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถึงแม้ความรู้สึกเป็นอย่างอื่นเช่นรู้สึกริษยารู้สึกต้องการจะเห็นความพินาดเป็นต้นเนี่ฤิษยามันก็เป็นพวกพยาบาทต้องการเห็นความพินาดก็เป็นพวกพยาบาทหรือว่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็กลายเป็นพวกกามฉันตลอดถึงอยากได้วัตถุที่ประนีตยังไงเครื่องลายครามกล้วยไม้แม้จะอยากได้พวกฌานสมาบัติก็ยังคงเป็นกาหมายฉันอยู่นั่นเองเมื่อพระผูมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงสมาธิสิกขาหรือจิตสิกขาไว้เพื่อต้องการจะขจัดกิเลสกลุ่มนี้หากบุคคลปฏิบัติไปจนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นฌาน สามารถส ง, งบระงับพวกนิวรธรรมทั้งหลายเหล่านั้นลงไปได้ซึ่งบุคคลอาจใช้ปัญญาเข้าไปพินิษพิจารณาดูว่าถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมยกตัวอย่างเช่นวิจิกิจฉาที่กำลังพูดยู่นี้เรื่องอะไรก็ตามที่สงสัยนั้นเพราะรู้อย่างไม่จริงแต่ถ้ามันใคร่ควรพินิจพิจารณาตรวจสอบดูเรื่องเหล่านั้นให้ท่องแท้ทสุด ความสงสัยค่อยๆหายไปความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นและเมื่อรู้จริงในแง่มุมต่างๆโดยสมบูรณ์แล้วความสงสัยในสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปโดยลำดับซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลสามารถกำหนดพิจารณาโยงเข้ามาหากิจการงานต่างๆที่ตนกาลังพิจารณาอยู่ได้ส่วนสิกขาชั้นสามที่เรียกว่าปัญญานั้น ถือว่าเป็นธรรมะที่สูงขึ้นไปต้องการจะให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถขจัดกิเลสอย่างละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้แต่บุคคลอาจจะกาหนดพิจารณาโดยหลักโยนิโสมนสิการ์ดังที่กล่าวมาแล้วว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นถ้าลองว่าบุคคลใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์วิจัยในเรื่องเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้นก็จะถูกขจัดจะถูกทำลายลงไปปัญญาจึงชื่อว่าเป็นรัตนะของนเรชนเป็นแก้วสารพัดนึกของคนเป็นแสงสว่างในโลกเป็นประทีปสองทางชีวิตซึ่งบุคคลผู้อิงอาศัยปัญญาเป็นหลักของจิตใจอยู่ย่อมสามารถขจัดความมืดบอดความงงงายในเรื่องต่างๆลงไปได้ เรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยการค่อยๆ ค, ค, คิดกำหนดด้วยโ ย, โยนิโสมนสิการคืนนำเรื่องนั้นมาคิดซ้ำๆ ซ, ซากๆคิดบ่อยๆแล้วความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์ในใจสิขาก็จะปันเทาบาบางลงไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป